โอวาทข้อที่สองวิธีแก้ไขความผิดพลาดในยุคชุนชิวก่อนคริสต์ศักราช770ถึง476หรือก่อนพุทธศักราช227ถึง267 เป็นระยะเวลาที่อำนาจของราชวงศ์โจหรือจิวก่อนคริสต์ ศ, ศักราชพ1นหนึ่งยสบสองหรือเจ1เจสบหรือก่อนพุทธ ศ, ศักราชห้าร้อเจบเกถึงสองยเสื่อมถอยหัวเมืองน้อยใหญ่ต่างแข่งข้อตั้งตนเป็นใหญ่จิตใจคนจีนในยุคนี้เสื่อมทรามโอที่ ม, มาก ลูกข้าพอ่อคุณนางข้าห้องเต้นักปราดท่านคงจือก็เกิดในยุคนี้ท่านเห็นว่าเหตุการณ์จะรุนแรงยิ่งขึ้นไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติจึงนำหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าชุนชิวซึ่งเป็นของแคว้นหลูมาแก้ไขปรับปรุงสมัยส่วนที่ดีคงไว้ส่วนที่ขาดเพิ่มเติม บันทึกความชั่วร้ายในยุคนั้นไว้ในหนังสือชุนชิวนี้อย่างละเอียดละออเพื่อเตือนใจคนไม่ให้นำมาเป็นเยี่ยงย่างขุนนางในสมัยนั้นช่างดูคนโดยสังเกตจากกิริยาวาจาก็สามารถคาดการในอนาคตของคนคนนั้นได้สังคมขุนนางในสมัยนั้นจึงมักนําบุคลิกของใครต่อใคร มาเป็นหัวข้อในการสนทนาพระจึงอยากให้ลูกค้นหาส่วนดีส่วนเสียของหนังสือเล่มนี้แม้จะเป็นของโ บ, บราณห่างจากยุคเราเกือบสามพันปีกาตามแต่ลูกก็จะได้ประโยชน์จากหนังสือนี้อย่างเหลือลน้นนอกจากเล่มนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเล่มที่บันทึกประวัติศาสตร์ในระยะสามพันปีนี้ ลูกอ่านแล้วจะได้เข้าใจชีวิตดีขึ้นรู้จักนําส่วนดีของอดีตมาเสริมสร้างชีวิตอนาคตของลูกเองให้เพียรพร้อมด้วยความเป็นคนที่มีศีลธรรมหลุดพ้นจากความเป็นปุถุชนได้ในที่สุดธรรมดานิมิตหรือล่างสังหอ น, นั้นมักจะเกิดทางใจแล้วปรากฏให้เห็นทางอุรยาบท บุคลิกลักษณะจึงเปรียบประดุจกระจกเงาฉายให้เห็นบุญวาสนาหรือเคราะห์กรรมที่บุคคลนั้นๆจะต้องได้รับในอนาคตปุถุชนมักมองไม่เห็นบุคลิกลักษณะอันน่าศึกษานี้กลับเห็นว่าเป็นการคาดคะเนที่ไม่แน่นอนธรรมชาตินั้นมีความซื่อตรงยิ น, นักหากเราเอาอย่างธรรมชาติได้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 แต่ถ้าพอชอบทําแต่กรรมชั่วลูกต้งแน่ใจเสดว่าเขาจะต้องได้รับผลเลวร้ายตอบแทนหากลูกต้องการความสุขและห่างไกลจากความทุกข์ลูกจะต้องรู้จักวิธีแก้ไขความผิดพลาดของตนเองเช่นก่อนข้อหนึ่งลูกจะต้องมีความละอายต่อการทําชั่วไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังผู้คน ลองดูคิดดูสินักปราชญ์แต่ครั้งโบราณมาท่านก็ไม่ใช้อกสามศอกเช่นลูกนี้แต่จะไหนท่านเหล่านั้นจึงได้รับความเคารพ บ, บูชาเป็นปูชนิยบุคคลแม้การเวลาจากได้ผ่านไปแล้วเป็นร้อยชั่วคนก็ตามส่วนลูกนั้นเล่ะยังคงเป็นกระเบื้องติดแตกอยู่เป็นสิ่งเสียงในชีวิต ยังไม่ได้สร้างอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแก่นสารให้ปรากฏเลยทั้งนี้ก็เพราะลูกหมหลงระเริงอยู่กับความสุขทางโลกเหมือนผ้าขาวที่ถูกสีต่างๆแปดเปื้อนซะแล้วย่อมหมดความบริสุทธิ์ุดพองมักจะทำอะไรที่ไม่สมควรทำแต่คิดว่าผู้อื่นไม่ล่วงรู้ต่อไปก็ยิ่งเหิมเกริมทำผิดมากขึ้นทุกที โดยไม่มีความละอายต่อบาปลงท้ายก็จะเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่ไม่สามารถรู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่ในโลกนี้จะมีอะไรอีกเล่าที่จะน่าละอายไปกว่าที่ตนเองไม่รู้ดีรู้ชั่วนักปราชญ์ท่านแม่งจีจึงได้กล่าวเอาไว้ว่าความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปนั้นเป็นความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในโลกนี้ ผู้ใดมีไว้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นปราฏผู้ใดไม่ได้มีไว้ย่อมเหมือนสัตว์เดรัจฉานลูกจึงต้องเริ่มต้นแก้ไขความผิดพลาดของตนเองด้วยกุศลกรรมข้อนี้ก่อนข้อสองลูกจะต้องมีความเกรงกลัวต่อการทำชั่วเทพ ย, ยดาอยู่เบื้องบนผีสางวิญญาณล้วนมีร่างโปร่งแสง มีอยู่เกลื่อนกลาดทุกคนทุกแห่งซึ่งในตาของมนุษย์ธรรมดาย่อมมองไม่เห็นแม่ปลูกจะทำผิดอะไรที่คนไม่รู้ผีสางทเทวดาก็รู้หมดถ้าลูกทำความผิดร้ายแรงลูกก็จะต้องได้รับเคราะห์กรรมไม่เบาทีเดียวแหละถ้าลูกทำผิดเพียงนิดหน่อยก็จะทำให้ลูกได้รับความสุขที่กำลังให้ผลอยู่ในปัจจุบันลดน้อยลงทันที ลูกจะไม่กลัวได้ไม่เพียงเท่านั้นแม้เราจะอยู่บ้านของเราเองในที่เราโหฐานก็ตามก็ น, นี้ไม่พ้นสายตาของผีสางเทวดาไปได้แม้ลูกจะปกปิดความผิดไว้ดีเพียงใด แต่จะปกปิดผีสางเทวดาหาได้ไหมเพราะแม้จะในตัวลูกมีไส้กี่ขดท่านเหล่านั้นก็มองเห็นทะลุปโปร่งอยู่แล้วหากวันใดบังเอิญมีคนแอบรู้เห็นเข้าลูกก็จะกลายเป็นคนไร้ค่าไปทีเดียวอย่างนี้แล้วลูกจะยังไม่กลัวอีกหรือไม่เพียงเท่านั้นหากลูกยังไม่ลมหายใจอยู่ แม้จะทําความผิดลนฟ้าก็ยังมีโอกาสแก้ตัวได้ถ้าหลุดสานึกในความผิดนั้นได้ทันท่วงทีการก่อนมีชายคนหนึ่งตลอดชีวิตของเขาชอบทําแต่กรรมชั่วครั้นพอใกล้จะตายได้สํานึกผิดพิดขนาจิตเดียวและจิตสุดท้ายที่รู้จักผิดชอบชั่วดีก็ยังสามารถทําให้จิตที่เกิดจากจิตกณะสุดท้าย หรือว่าจุติจิตได้ปฏิสนธิในสุขติภพทันท่วงทีรอดจากการไปสู่ทุกติภพอย่างบุตหวิดและเมื่อเขาได้ไปสู่สุขติภพบสก่อนแล้วจิตจิรู้จักผิดชอบชั่วดีในวินาทีสุดท้ายนี้ก็ยอมเป็นปัใจจัยให้เขาประกอบแต่กรรมดี หากเขาสามารถสั่งสมความดีได้มากกว่ากรรมชั่วที่เคยกระทำมาเป็นหมื่นเท่าพันทวีแล้วไซวิบากแร่งกรรมชั่วที่ไม่ใช่กำหนักจากติดตามมาให้ผลไม่ทันเสแล้วดุจในถ้ำที่มืดมิดมานานนับพันปีเป็นจะจุดไฟให้สว่างเพียงดวงเดียวก็สามารถขับไล่ความมืดที่มีมานานนับพันปีให้หมดสิ้นไปในพริบตาเดียว ฉะนั้นลูกจองจาไว้ความผิดที่ถูกกระทำไว้นานรือเพิ่งกระทำขอให้รู้สํานึกและแก้ไขเสทันทีจึงจะเอาตัวรอดได้ไม่ต้องไปสู่ทุกติภพที่เต็มไปได้วยความทุกข์ทรมานแต่ลูกจะต้องจดจําให้ดีว่าแม้ความผิดนั้นเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ก็อย่านอนใจที่จะทําผิดบ่อย จะนึกว่าวันนี้เราทําผิดแค่นี้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราจะแก้ไขไม่ทําอีกก็แล้วกันแต่กิดเช่นนี้ก็ผิดจากวัตถุประสงค์ที่พ่อพร่ำสอนลูกมาอันความผิดที่เกิดจากรู้ว่าผิดแล้ยังจงใจทําเป็นมนโนกรรมที่มีโทษหนักแม้ลูกตั้งใจจะแก้ไขในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะสายไปเสียแล้ว เพราะในโลกแห่งความวุ่นวายนี้ใครจะรับประกันได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่จนถึงวันทุ่งนี้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้โดยลมหายใจถ้าลูกขาดหายใจเพียงครั้งเดียวชีวิตนี้ก็ไม่ใช่ของลูกแล้วทุกสิ่งลูกก็นำติดตัวไปด้วยไม่ได้เพราะทุกสิ่งเป็นรูปธรรมไม่มีใครเป็นเจ้าของรูปธรรมได้ชั่วนิรันดร สิ่งที่ติดตามลูกไปได้มีเพียงกรรมดีและกรรมชั่วเท่านั้นอันเป็นนามธรรมที่มนุษย์มองไม่เห็นจะสัมผัสได้ด้วยใจเท่านั้นหากบุญยังมีเหลือพอได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อิด ก, ก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่ดีเป็นร้อยปีพันปีแม้จะมีลูกหลานที่ดีก็ไม่สามารถช่วยลูกได้หากกรรมหนัก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 มีกำลังที่จะแก้ไขอย่างจริงจังไม่ท้อถอยมีความเพียรอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าทําบ้างหยุดบ้างความผิดเล็กๆน้อยๆนั้นเปรียบประดุด้ําต่าอยู่ในเนื้อถ้าได้บงน้ําออกเสียก็จะหายเจ็บทันทีหากเป็นความผิดใหญ่หลวงก็เปรียบประดุดถูกงูพิษที่ร้ายแรงคบกัดเอาที่หนิว ถ้าลูกไม่กล้าตัดนิ้วทิ้งพิษก็จะลุกลามไปถึงหัวใจและตายได้ง่ายๆลูกจะต้องมีจิตใจที่เด็ดเดียวกล้าเผชิญความจริงรู้ตัวว่าผิดตรงไหนก็ต้องแก้ตรงนั้นทันทีอย่ารีรอหลังเลจะเสียการในภายหลังโลกจงศึกษาวิชาปากว่าหรือโป้ก่อย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 ต่างก็เป็นปัจจัยให้กันและกันในยามที่พายุมาเสียงฟ้าร้องลมก็จะเป็นปัจจัยช่วยให้ฟ้าร้องดังยิ่งขึ้นฟ้าก็จะช่วยลมให้มีกําลังพัดรุนแรงขึ้นตัวอย่างเหล่านี้ถ้าลูกศึกษาให้เข้าใจแล้วก็จะสามารถนําวิชาโป้กวยนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน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 เมื่อลูกมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อการกระทำผิดและมีความกล้าหารเด็ดเดียวที่จะแก้ไขความผิดพลาดของตนเองแล้วใส่ความผิดนั้นก็ย่อมจะลดน้อยถอยลงจนหมดไปในที่สุดเปรียบประดุดสายน้าที่รวมตัวกลายเป็นน้ำแข็งในฤดูใบไม้ผลิเมื่อถูกแสงอาทิตย์ก็ย่อมละลายกลายเป็นน้าดังเดิม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 วันนี้เราตั้งใจไม่ฆ่าอีกต่อไปหรือเมื่อวานเราโกรธประวาวไปมากมายวันนี้เราตั้งใจไม่โกรธอีกต่อไปนี่คือการแก้ไขที่เหตุการณ์ทำผิดแล้วจึงได้คิดซึ่งไม่ก็จะได้ผลเพียงระ ง, งับได้ชั่วคราวเผลอเมื่อใดเราก็จะทำผิดได้อีกการแก้ไขจึงต้องแก้ก่อนที่มีการกระทำผิดเกิดขึ้น เราต้องรู้เหตุที่จะก่อให้เกิดความผิดได้เชก่อนเช่นการฆ่าสัตว์แต่เราเข้าใจเช ก, ก่อนว่าชีวิตใครใครก็รักฉะนั้นจึงฆ่าสัตว์อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิตเราให้ยืนยาวเราแต่มีใครทํากับเราบ้างอย่างนี้ลูกจะยอมอนะหนึ่งการฆ่าสัตว์นั้นทําให้เกิดความทรมานเจ็บปวดแสนสาหัส น้ำสัตว์ต้มในกระทะร้อนๆกว่าจะตายก็แสบร้อนไปทุกขุมขนแม้เราจะบริโภคอาหารสัตว์อเนกอร่อยเพียงไรเมื่อเข้าไปอยู่ในท้องเราแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นปฏิกูลต่อไปแต่เราบริโภคแต่พืชผักผลไม้เราก็อยู่ได้อย่างเป็นสุขเช่นกันไม่เดือดร้อนอะไรฉะนั้นยังต้องไปทำลายชีวิตผู้อื่น เพื่อความอิ่มเพียงชั่ว่างแต่ต้องทำลายบุญที่มีอยู่แล้วให้น้อยลงและเพิ่มบาปให้มากขึ้นเรื่อยๆชีวิตที่ประกอบกันด้วยเลือดเนื้อนั้นย่อมไม่บิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับเราถ้าเราไม่สามารถทำให้สัตว์เหล่านั้นมารักนับถือเราไว้วางใจเราและอยากอยู่ใกล้เราแล้วเราก็อย่าสร้างความเคียดแค้นชิงชัง จนถึงจองเวรจองกรรมกันขึ้นเลยถ้าโลกคิดได้เช่นนี้แล้วลูกก็จะกินเนื้อสัตว์เหล่านั้นไม่ลงคอเมื่อสมัยโบราณกาลในยุคหินใหม่เรามีผู้นำทางที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยพระเมตตากรุณาจะทรงปริชาสามารถยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งมีพระนามว่าตี้สุนก่อนเสวยราชโดยรัศดรพร้อมใจกันเลือกท่าน ท่านเป็นชาวนาระหว่างที่ทำนาอยู่นั้นจะมีช้างมาช่วยท่านไถนามีนกมาช่วยท่านถอนหญ้าซึ่งปัจจุบันนี้ภาพเช่นนี้หาดูไม่ได้อีกแล้วเพราะมนุษย์ขาดความเมตตาการณุณอย่างจริงใจนั่นเองเรื่องของความโกรธก็เช่นกันถ้าเรารู้จักคิดสักนิดนึงว่า คนนั้นแตกต่างกันทั้งนิสัยและสติปรรัญญาภูมิหน้าภูมิหลังของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันบางอย่างเขาสู้เราไม่ได้บางอย่างเราสู้เขาไม่ได้เมื่อเขาพลาดพลั้งไปก็ได้ความรู้เท่าไม่ถึงการเป็นความโง่เขลาเบาปรราัญญาน่าสงสารมากกว่าน่าให้อภัยมากกว่าถึงแม้เขาจะให้รายเรา ก็เป็นเรื่องที่เขาทาผิดจริงเราไม่เดือดร้อนนักก็จะไม่เกิดความโกรธขึ้นมาได้เลยลูกจะต้องคิดให้ได้ว่าในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยทําความผิดเลยคนที่อวดดีอวดวิเศษนั้นหาใช่ปราดที่แท้จริงไหมคนที่มีความรู้สมเป็นนักปราดนั้นหันมักทำตนคอยจะผิดตนเองไม่กล้า โกรธเคืองผู้อื่นไม่จับปิดผู้อื่นคอยสำรุจตนเองว่าได้ล่วงเกินใครอย่างไรบ้างหรือเปล่ายามที่มีคนล่วงเกินตนก็จะถามตนเองซสก่อนว่าได้เคยล่วงเกินเขาไว้ก่อนหรือไม่ยามที่มีคนไม่จริงใจต่อตนก็จะถามตนเองเสีก่อนว่าได้เคยแสดงความไม่จริงใจต่อเขาก่อนหรือไม่เรามวลคิดซเช่นนี้ เราก็จะไม่ทันได้โกรธผู้อื่นยิ่งถามตนเองแล้วปรากฏว่าไม่เคยล่วงเกินไม่เคยจริงใจต่อเขามาก่อนเราก็ยิ่งสบายใจรับเอาความผิดพลาดของผู้อื่นมาเป็นบทเรียนฝึกฝนตนเองต่อไปเราก็จะกลายเป็นคนดียิ่งยิ่งขึ้นเมื่อคิดได้ขินนี้ใครทาไม่ดีกับเราเราก็รับบทเรียนไว้ด้วยความยินดี จิตใจไม่ขุนมัวจะมีความโกรธมาจา ก, กไหนถ้ามีคนนินทาว่ารายลูกลูกก็จะต้องคิดให้ได้ว่าเหมือนคนจุดกองไฟเผาฟ้าแม้กองไฟจะใหญ่เมื่อมาเพียงใดแต่ฟ้านั้นว่างเปล่าไม่มีเชื้อที่จะติดไฟได้กองไฟจะลุกโชนช่วงสักเพียงใดก็จะไหมและมอดไปข้างเดียวในที่สุดคนที่ว่ารายลูก เห็นลูกอยู่ในความสงบไม่โกรธตอบไม่ตอบโต้เขาก็จะหยุดไปเองเช่นกันเพราะการนินทาว่าร้ายนั้นเหมือนกับนำสีไปป้ายที่ผ้าขาวผ้านั้นย่อมยากที่จะขาวได้ดังเดิมแม้ลูกจะมีเหตุผลดีอย่างใดก็ไม่สามารถจะโต้แย้งให้ขาวกระจางได้เปรียบระดุดตัวไหมในฤดูใบไม้ผลิ หลงกินใบหม่อนไปดิ้นไปยิ่งกระดุกกระดิกมากเท่าไรใยญ่ไหมก็ยิ่งปูกมัดตัวเองมากเท่านั้นความโกรธก็เช่นกันมีแต่โทษหามีคุณมม่ถ้าลูกสามารถใช้เหตุผลคล้ครวญดูแลทุกสิ่งก็จะไม่น่าโกรธความโกรธก็จะไม่เกิดขึ้นกับลูกอีกเลยวิธีแก้ไขความผิดพลาดที่พูดไปแล้ว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 จึงจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ปลุดผ่องได้อย่างแท้จริงเพลียนเกิดความรู้สึกว่าจะทำผิดก็รู้สึกตัวซะก่อนแล้วด้วยสติสัมปชัญญะความผิดจึงเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือการยับยั้งชั่งใจที่ต้องอบรมม่มเพาะให้สติประคองใจเราไว้ตลอดเวลาทั้งหมดนี้ลูกจะต้องใช้วิจารณญาณให้ถูกต้องว่า คราใดที่จะใช้วิธีใดจึงจะเหมาะจะควรถ้าลูกนำวิธีมาใช้ไม่เหมาะไม่ควรก็จะไม่ทันารแล้วลูกก็จะต้องตกอยู่ในความโง่ต่อไปไม่มีทางได้ดีการตั้งปณิธานอั น, นแน่วแน่ที่จะแก้ไขความผิดพลาดของตนเองก็ดีการอธิษฐานจิตด้วยบ่อยตลอดวันตลอดคืนก็ดี ล้วนแต่จะช่วยกระชับความหนักแน่นให้แก่ลูกนอกจากนี้ยังต้องมีกัญญานมิตรคอยช่วยเหลือตักเตือนมีปีสางเทวดาคอยช่วยดลใจจิตใจของลูกต้องเด็ดเดียวแน่วแน่ทั้งกลางวันกลางคืนทุกขณะจิตทุกลมหายใจเข้าออกเพียงสักหนึ่งหรือสองสัปดาห์อย่างช้า ก็ไม่เกินสามเดือนย่อมปรากฏผลอย่างแน่นอนลูกจงคอยสังเกตทั้งจิตใจที่จะสงบขึ้นสติปัญญาแจ่มใสสมองโปรงไม่ปวดศีรษะทำอะไรก็ดูจะง่ายขึ้นเร็วขึ้นไม่ผิดพลาดไม่เครียดจนงุดนิดถลูกพบคนที่มีถูกโรคกันมาก่อนกลับรู้สึกเฉย แทนนี่จะเกิดความอิดหนาระอาใจยอย่างที่เคยเป็นมากลางคืนอาจจะฝันว่าตนเองได้อาเจียนของดําๆออกมาบางทีก็จะฝันเห็นนักปราชญ์โบราณมาสั่งสอนแนะนําบางทีก็จะฝันว่าได้บินไปเที่ยวบนท้องฟ้าบางทีก็จะเห็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้ารวนเป็นนิมิต ด, ดีเพื่อให้โลกรู้ว่า บาปกรรมนั้นได้ลดน้อยถอยลงแล้วแต่ลูกอย่าได้ลำพองใจเป็นอันขาดเพราะความเพียรของลูกจะหยุดก้าวหน้าได้ทันทีทีเดียวแต่ก่อนนี้สมัยชุนชีวมีคุณนางในแคว้นเว่ยท่านหนึ่งเมื่ออายุได้ยี่สิบปีท่านก็รู้สึกตัวว่าตนเองได้ทำผิดอะไรมาบ้างและสามารถแก้ไขได้หมดสิน้น ครั้งเมื่อท่านอายุได้ยี่สิเอ็ดปีท่านก็รู้อีกว่าที่คิดว่าแก้ไขหมดแล้วนั้นที่แท้ยังไม่หมดจดดีครั้งเมื่อท่านอายุได้ยี่สิบสองปีท่านก็ยังเห็นอีกว่ายังเหลือความผิดอะไรอยู่บ้างเช่นนี้ทุกปีมาจนเมื่อท่านอายุห้าสิบปีก็ยังรู้ว่าเมื่อท่านอายุสี่สิบเก้าปีนั้น มีความผิดที่ยังไม่ได้แก้ไขอะไรบ้างลูกต้องดูไว้เป็นตัวอย่างว่าคนโบราณ น, นั้นทันมีความจริงใจต่อการแก้ไขเพื่อพัฒนาตนเองเพียงใดพวกเราสมัยนี้ล้วนแต่เป็นคนหยาบมีความผิดติดตัวกันมากมายราก็ตัวเหลือบที่เกาะเต็มไปหมดแต่เราก็ไม่เห็นไม่รู้สึกว่าอดีตนั้นเราได้ทาอะไรผิดพลาดมาบ้าง นี่ก็เพราะความหยาบของจิตมีดวงตาก็หามีแววไ ม, ม่นั่นเอโลกจงสังเกตคนที่บาปหนามักจะปรากฏบุคลิกที่อพับให้เห็นได้ง่ายง่ายเช่นเป็นคนที่หลงที่ลืมปวดหัวมึนงงง่วงเหงาหาวนอนแม้จะไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นก็มีจิตใจที่งุดงิดเศร้าซึมเลื่อนลอย ขี้หวาดกลัวหาความสุขความร่าเริงไม่ได้เห็นคนก็ไม่กล้าศบตาด้วยไม่ชอบฟังเทศฟังธรรมบางทีก็ทำดีกับใครก็กลับได้ผลในทางตรงกันข้ามกลางคืนนอนก็ฝันร้ายพูดจาเลอะเลือนจิตใจท้อแทเหล่านี้ล้วนเป็นนิมิตของคนบาปหนาทั้งสิ้นถ้ารู้รู้สึกตัวว่าเป็นเช่นนี้ ก็ต้งรีบหาทางแก้ไขโดยด่วนอย่าได้รั้งรออยู่เลย